ทยเจ้าหญิงแห่งเทือกเขาสีน้ำเงินเนิ่นนานมาแล้วยังมีพระราชวังต้องคาําสาบอยู่ในใจกลางป่าลึกวันหนึ่งชายสองคนได้หลงทางมาในป่าแห่งนี้พวกเราอยู่ไหนพวกเราเดินมาทั้งวันแต่ก็ยังไม่เห็นทางออกจากป่าแห่งนี้เราจะไม่ได้กลับบ้านแล้วใช่ไหมเนี่ย ไม่ต้องห่วงเพื่อนเราแค่เหนื่อยและหิวใกล้จะมืดแล้วหาที่พักก่อนนะฉันมั่นใจทุ่งนี้เราต้องเจอทางออกใครจะรู้ละ่ะป่านี้อาจจะมีสัตว์ร้ายตอนกลางคืนก็ได้เราน อ, นอนที่พื้นไม่ได้หรอกน่าที่เล่ล่นะพวกเราจะปลอดภัยต้นไม้นี้ใหญ่พอและกิ่งก้านก็กว้างพอให้เราพักได้สบายเราคงจะปลอดภัย ากพววสัต์ป่ทั้งหิวเหนื่อยและกลัวชายทั้งสองจึงพักบนต้นไม้เพื่อให้ความปลอดภัยจากสัตว์ป่าในตอนเชา้าเมื่อตะวันท่อแสงไปที่พวกเขาบนต้นไม้พวกเขาพบกับพระราชวังทั้งคู่จึงไปที่นั่นตั้งอยู่กลางป่าเนี่นะที่นำาอะไรกัน บางทีเราอาจจะพบคนที่นั้นเขาอาจจะบอกทางเราออกจากที่นี่และให้อาหารเราสักหน่อยด้วย่ไปกันเลยใดไม่ช้าพวกเขาก็มาถึงหน้าประตูวังต้องสาบที่นั่นไม่มีใครอยู่เลยหนึ่งในนั้นมองเห็นระฆังและสั่นมันไม่นานหลังระฆังสัน่นประตูก็เปิดออกเองชายทั้งสองเข้าไปได้วยความประหลาดใจ ยินดีต้อนรับท่านคงเหนื่อยและหิวมากนั่งก่อนสิและสิ่งนี้ได้ดำเนินมาเป็นเวลานานแล้วชายหลายคนที่มายังวังต้องสาบได้ถูกทำให้หลับลึกและหลับไม่ตื่นอีกเลย อยู่มาวันหนึ่งเจ้าชายคนหนึ่งได้หลงป่าเดียวกันเขานอนบนต้นไม้เดียวกันและในตอนเช้าเขาก็มองเห็นพระราชวังและมุ่งหน้าไปเมื่อเขาสั่นระคังประตูก็เปิดออกเจ้าชายเข้ามายินดีต้อนรับท่านคงเหนื่อยและหิวมากนั่งก่อนสิเจ้าเป็นใครแล้วมาทำอะไรในป่าลึกที่มืดมิดแบบนี้นะ่ะท่านจะกังวลอะไรท่านเป็นนักเดินทางที่เหนื่อยล้ ข้าว่าท่านน่ะอยากจะกลับบ้านให้ด้วยที่สุดใช่ไหมล่ะการแสดงออกและความเห็นใจของท่านเป็นเรื่องที่ดีนะคุณผู้หญิงแต่ท่านกำลังมีปัญหาอะไรไหมมีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าทำไมท่านไม่กินก่อนละ่ะท่านไม่เหนื่อยและหิวเหรอท่านพักก่อนนะข้าพักไม่ได้จนกว่าจะรู้ว่าท่านยังดีอยู่ ทำไมผู้หญิงคนเดียวมาอยู่ในป่าที่มืดมิดแบบนี้ได้บอกข้าเธอบอกข้าหน่อยข้ารู้มีบางอย่างแปลกๆข้าจะไม่กินหรือพักจนกว่าท่านจะบอกข้าว่าจะช่วยท่านได้ยังไงทันทีที่เจ้าชายพูดจบทุกๆอย่างก็เปลี่ยนไปชายหลายร้อยคนได้มาย่างที่แห่งนี้เพื่อหาอาหารที่พักพิงและขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครเลยที่จะใส่ใจและถามเกี่ยวกับข้านะ และจนวันนี้ความกังวลและความเห็นเอาเห็นใจพื้นฐานของท่านได้ทำลายคำสาบที่ข้าตั้งอยู่กับมันมากกว่า16ปีขอบคุณนะคำสาบอะไรเหรอก่อนที่ข้าจะพูดอะไรไปมากกว่านี้ข้ามีงานที่จะต้องทำพวกเขาทั้งหมดกลับบ้านไปหาครอบครัวมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่น่ะ เขาจะบอกทุกอย่างกับเจ้าพรุ่งนี้เช้าแต่ตอนนี้เขาจะต้องไปแล้วเขาจะกลับมาวันพรุ่งนี้เช้าดูแลเขาด้วยตอนที่ข้าไปเขาจะมาพบเจ้าเก้าโมงเช้าพรุ่งนี้เจ้าตื่นและเตรียมตัวให้พร้อมนะแล้วก่อนตลอดทั้งคืนจ้าชายคิดถึงเจ้าหญิงที่ต้องคำสาบ เขาตกหลุมรักเธออย่างลึกซึ้งและเขาทนที่จะได้เห็นเธออีกครั้งถึงตอนเช้าไม่ไหวแต่บางคนก็มีบางอย่างอยู่ในใจและขณะที่คนใช้เตรียมชุดให้กับเจ้าชายเขาฝังทิ่มลงไปทำให้เจ้าชายหลับสนิทเจ้าอยู่ที่ไหนที่รักเจ้าชายอยู่ที่ไหน โอ้ข้าพยายามปลุกเขาแล้วแต่เขาไม่ยอมตื่นแล้วก็ยังหลับอยู่ด้วยอะไรนะเป็นไปได้ยังไงกันถ้าเขาไม่ได้หลับอยู่แล้วเขาไปไหนล่ะท่านไปดูเองเถอะได้โปรดบอกเขาด้วยเขาจะกลับมาพรุ่งนี้เวลาเดิมถ้าเขายังไม่ตื่นและเตรียมตัวเขาจะไม่ได้พบกับข้าอีกเลยตามประสงค์ขอรับคุณหญิงเจ้าชายรู้สึกแย่มากเม่รู้ว่าเขาหลับตอนเจ้าหญิงมา ดังนั้นเขาจึงตื่นตัวตลอดทั้งคืนแต่เมื่อถึงรุ่งสางสิ่งเดียวกันก็เกิดขึ้นคนใช้สอดทิ่มลงไปในเสื้อของเขาและเจ้าชายก็หลับสนิทอีกครั้งและเมื่อเจ้าหญิงมาถึงเขาอยู่ไหนทำไมเขาไม่มารอพบข้าเลยเขาปฏิเสธการปลุกของข้าคุณหญิงอะไรนะเป็นไปได้ยังไง เขาไม่หลับอยู่แล้วเขาอยู่ไหนท่าเข้าไปดูเองเถอนนะไม่ได้เขาจะไม่มาพบเขาอีกช่วยนำสิ่งนี้ไปให้เขาได้ไหมได้ขอรับคนใช้มอบดาบให้กับเจ้าชายเจ้าชายรู้สึกแย่เป็นอย่างมากที่เขาจะไม่ได้เจอกับคนที่เขารักอีกหัวใจของเขาปฏิเสธที่จะยอมแพ้ต่อเธอดังนั้น เขาจึงออกเดินทางไปในป่าเป็นเวลาหลายเดือนด้วยความหวังที่สักวันเขาจะพบกับเจ้าหญิงที่รักอีกครั้งวันหนึ่งในขณะที่เขาเดินอยู่ในป่าเขาเดินผ่านดงน้ำและเสื้อคลุมของเขาได้ติดอยู่กับมันเพื่อที่จะขยับได้เขาฟาดดาบไปที่เสื้อคลุมทันใดนั้นได้ปรากฏแสงขึ้นเหนือดาบมีข้อความขึ้นมาบนดาบเจ้าหญิงแห่งเทือกเขาสีน้าเงิน เทือเขาสีน้ำเงินเหรอแม่เป็นที่ที่ข้าจะพบนางแต่มันอยู่ที่ไหนล่ะแล้วใครจะช่วยข้าได้ดังนั้นเจ้าชายจึงเดินทางไปในป่าโดยหวังว่าคงมีใครรู้เกี่ยวกับเทือกเขาสีน้ำเงินแล้วในคืนหนึ่งเขามาถึงกระท่อมแปลกๆเขาเข้าไปเคาะประตูถ้เจ้าต้องการอาหารข้อสามครั้งพระเจ้าต้องการที่พักขคอีกสามครั้ง แตฮหกเจ้าอยากได้ความรู้ก็เดินจากไปเจ้าต้องการแสวงหาสิ่งใดข้าอยากรู้ว่าเทือกเขาสีน้ำเงินนั้นอยู่ที่ไหนถ้าอย่างนั้นเจ้าก็เข้ามาพักท่านอาหารสักหน่อยเถิดคืนนี้พรุ่งนี้เช้าข้าจะเปิดหนังสือทุกสรรพสิ่งและบอกเจ้าว่าเทือกเขาสีน้ำเงินอยู่ที่ใดตกลงไหมข้าจะทาทุกอย่างที่ท่านพูด แค่เพียงบอกเข้าว่าเสื้อเขาสีน้ำเงินอยู่ที่ไหนดีงั้นก็เข้ามาดังนั้นเจ้าชายจึงกินข้าวกับพระและนอนในบ้านของเขาเมื่ออาทิตย์ทอแสงเจ้าชายตื่นขึ้นและออกไปข้างนอกอ๋เจ้าพร้อมแล้วนะท่านสัญญากับข้าว่าจะบอกว่าเสื้อเขาสีน้ำเงินอยู่ไหนเจ้าเป็นชายที่มุ่งมั่นมากก็ได้ ไม่ไม่มีการกล่าวถึงเทือกเขาสีน้ำเงินในนี้มันต้องมีสิข้าเคยพบเจ้าหญิงแห่งเชือกเขาสีน้ำเงินอ่ะอือย่าเพิ่งเสียใจในหนังสือทุกสรรพสิ่งนี่พวกมันจะให้คำตอบที่เจ้าถามหนังสือนี้ไม่มีคำตอบเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวที่หน้าหนึ่งสองสาหเจ็ดอเจอแล้วนกนกเหรอ ใช่พวกนกบินขึ้นสูงในโลกสูงกว่าหุบเขาและเทือกเขาถ้ามีสถานที่นั่นพวกนกต้องรู้ข้าจะเรียกพวกนกทั้งหมดบนท้องฟ้ามาและถามพวกเขาว่ามาจากไหนคงมีสักตัวที่มาจากเทือกเขาสีน้ำเงินละงั้นได้โปรดทํามันด้วยดังนั้นพระจึงออกมาจากกระท่อมเล็กๆของเขาเขาท่องคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ ไม่นานบนท้องฟ้าก็เต็มไปได้วยนกทุกชนิดเขาถามพวกมันว่ามันมาจากที่ใดแต่ไม่มีตัวไหนเลยที่มาจากเทือกเขาสีน้ำเงินพวกมันบินจากไปทีละตัวข้คิดว่าเทือกเขาสีน้ำเงินไม่มีอยู่จริงมันต้องมีสิข้าน่ะเคยพบเจ้าหญิงแห่งเทือกเขาสีน้ำเงินแล้ว ท่านเรียกคาระทำไมเจ้ากว่าจะมาเช้านักมันมีเสียงแพลงที่ยอดเยี่ยมตลอดเวลาบนเทือกเขาสีน้ําเงินข้าเลยได้ยินไม่ชัดตอนท่านเรียกเจ้ามาจากเทือกเขาสีน้ําเงินอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเจ้าหญิงจะแต่งงานกับลูกชายของพ่อมดในวันพรุ่งนี้อะไรนะแย่จริงเจ้าหญิงถูกพ่อมดไร้คาสาปใส่เมื่อหลายปีก่อนเพื่อเธอแต่งงานกับลูกชายของเขา ทำไมเจ้าไม่ยอมแต่งกับลูกชายขา้อเขาทั้งฉลาดและรูมงามไม่มีใครในโลกเหมาะสมกับเจ้ากว่าเขาแล้วนะแต่ข้าไม่ได้รักเขาไอ้ความรักมันก็แค่คำพูดที่ไร้สาระเจ้านะหวังจะพบความรักแบบนั้นที่ไหนกันความรักคือทุกอย่างและถ้ามันมีจริงมันจะหาข้าพบไม่สำคัญว่าข้าจะอยู่ที่ไหนเจ้าพร้อมจะพิสูจน์มันไหมข้าพร้อม นั้นก็ดีข้าจะได้คาสาปใสอาณาจักรของเจ้าเวลาจะหยุดเดินเป็นเวลาสหปีเจ้าจะต้องอยู่ในวังต้องสาบใจกลางป่าทึบที่มืดมนไม่ใช่ธนเจ้าหญิงแต่เป็นหญิงธรรมดาเจ้าจะมีคนใช้แค่คนเดียวคอยดูวังและถ้าจะมีความรักที่เจ้าพูดถึงเข้ามาในวังที่ต้องสาบเขาจะเหนื่อยและก็หิวมากด้วย เขาจะมาเห็นหน้าของเจ้าเขาจะเป็นกังบนแทนเจ้าและปฏิเสธอาหารก่อนที่เขาจะมั่นใจเมื่อมีใช้แบบนั้นมาที่วังคำสาบจึงจะสลายไปข้าตกลงและไม่เพียงแค่นั้นเจ้าต้องจากเขาไปเมื่อคำสาบหายและกลับมาด้วยรถมา้าถ้าหากเขาเป็นรักแของเจ้าเขาต้องไม่นอนพราะคิดถึงเจ้าและเจ้าจะต้องพ บ, บ เขารออยู่ในวันรุ่งขึ้นข้ารับปากและถ้าหากในสิบหกปีเจ้ายัางหารักแท้ไม่เจอ <c oughs> เจ้าจะต้องแต่งงานกับลูกชายของขา้าข้าตกลงงั้นก็ดีข้าจะเตรียมคาถาทานพ่อของนังขอรักแท้เจอล่อ นั่นเป็นเหตุที่พอจะส่งเจ้าไปกับนางยังไงล่ะเจ้าต้องบาดใจว่ารักชาของนางจะหลับเจ้าจะต้องไปเป็นคนใช้ของนางเจ้าหญิงที่น่าสงสารไม่รู้เลยว่าทุกเล่นสงครามและพรุ่งนี้เป็นวันแรกหนสิบหปีสัญญาที่เจ้าหญิงต้องแต่งงานกับลูกชายของพ่อหมดเจ้านกขอร้องละได้โปรดพาข้าไปหาหนางข้าเป็นคนที่นางรออยู่ได้โปรดได้โปรดเถอะ เขาจะพาเจ้าไปยังไงขี่หลังเหรอแล้วเขาจะเชื่อเจ้าได้ยังไงนี่เป็นดาบต้องซาบว่ารถม้าบินด้วยมันจากนั้นเขาจะพาเจ้าไปเถือเขาสีน้ำเงินเจ้าชายทำตามที่เขาบอกขอบคุณมากท่านขอบคุณมากๆเจ้าได้พิสูจน์แล้วพ่อนุม่มทุ่งนี้มีผงศักดิ์สิทธิ์แห่งความจริง ใครก็ตามที่จะโรยมันใส่จะพูดแต่ความจริงรถม้าบินขึ้นเหนือหุบเขาและเทือกเขาและในมิช้าเจ้าชายก็เห็นเทือกเขาสีน้ำเงินอยู่เบื้องหน้าเขาเจ้าอินซีพาเข้าไปที่เจ้าหญิงอยู่ตอนนี้เลยเจ้าหญิงเจ้าจะปฏิเสธไม่ได้ เจ้าจะต้องแต่งงานกับลูกชายของขอ่าเขารอเจ้ามานานกว่าสิบหกปีแล้วนะเขารอแต่ว่าเล่นไม่แฟร์นี่เจาหมายความว่ายังไงคนใช้ที่เจ้าส่งไปที่วังน่ะและมอบทิ่มแดกเขาไงละ่ะแล้วไหลแต่งเรื่องเจ้าจะพิสูจน์ได้ยังไงกันเจ้าไงย ใช่คนใช้ที่ข้าสรงจริงๆเป็นลูกชายข้าเขาจะทำให้เจ้าชายหับไปตลอดเวลาที่เจ้าพบเจ้าชายเป็นนักใช้ของเจ้าและข้าพอมดเข้าใจร้ายต่อการครองอาณาจจากของข้าข้าจึงต้องการให้เจ้าแต่งงานกับลูกชายของข้าไงข้าสมควรถูกขังและเจ้าควรได้แต่งกับเจ้าชายและเราจะพลังเวทของเจ้าออกจากเจ้าได้อย่างไงเพื่อไม่ให้เจ้าทํำเรื่องเลวร้ายอีกแค่เอาไม่เท้าของข้าไปดังนั้นพอมดจึงถูกขัง และเจ้าชายกับเจ้าหญิงก็แต่งงานด้วยกันอย่างสง่างามในที่สุดทั้งคู่ก็พบรักแท้ของพวกเขาที่รักขอบคุณที่เชื่อในตัวข้าถ้าไม่ใช่เพราะดาบของเจ้าล่ะก็ข้าคงจะหาเจ้าไม่พบเมื่อคนใช้บอกว่าเจ้าหลับอยู่หัวใจของข้าไม่เชื่อว่าเจ้าไม่ได้รักข้าดังนั้นข้าจึงทิ้งเบาะแสเอาไว้เพื่อให้เจ้าตามหาข้าและหัวใจของข้าน่ะถูกต้อง รักแท้จะหาเจ้าพบไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ใดก็ตามและเจ้าชายกับเจ้าหญิงแห่งผูเขาสีน้ำเงินก็อยู่ด้วยกันด้วยพลังแห่งรักแท้และมีความสุขนิดนิรัน